ب ิ سم الله الذي لا ي د ر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو س م ل ي م بسم الله الذي لا ي د ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو س م ل م بسم الله الذي لا ي د ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو س م ل ي م ا ل ل ه فقِه في الدين وعلمه ت و ي ل Allahumma innana nasaluka عِنْمَنَفِيَانِ ورزقان طيباً وعملاً مُتَقَبَّلاً يا رب العالمين ا ل س ل ا ل ي ك م و ر ح ل ل ه و ك ا ت ه ขอความสันต um an ah uh. ิพระเมตตาความจำเริญความปราณีจาก Allah ุบ b h a n a h u wa taala ประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลล ก่อนอื่นก็ขอชูโกต่อลอสุบฮานาหวัวตาและที่ให้พวกเราได้มีโอกาสได้มานั่ง อ, อยู่ในมัจลิสอัลอ้ลมนะก็คือการรวมการชุมนุมกันนะในการที่เราจะวิกรุลนล้อเพราะว่าการที่เราอ่านกุรานก็ดีการที่เราศึกษาความหมายในกุรานก็ดีเนี่ยล้วนแต่เป็นการ ทำให้เรามีหัวใจที่ตะกนรุปอิละลอมีความใกล้ชิดอัลลอ์และก็มีหัวใจที่สงบสุขด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนนะเมื่อเมื่อเราอ่านกุรุอานเมื่อกุรอานถูกอ่านนะครับอันซีตูต้องสะดับรับฟังแล้วก็ตั้งใจนะครับโดยเฉพาะตอนที่ฉันอธิบายด้วยนะแล้วก็ถ้าใครมีคาถามก็ ถามได้นะครับถามได้นะบางทีถามกันเองไงถามกันเองก็งงกันเองแอนถามฉันดีกว่านะอ่ะเราวันนี้เราอ่านกันในสุร้อนิเซอันนิเซยุสที่ห้าอายะที่หนึ่งรสามสิห้าสุรที่สี่ตามลําดับของพระมหาคัมภีร์กุรานเป็นสุรที่สี่ นะครับหลังจากฟาตีฮ์นะบากรออาลาอิมรอนและก็นิสานิสาเป็นซุรอที่สี่นะแต่อยู่ในยุสที่หอายะที่135อยหนะครับอยู่ในช่วงเท็มท้ายแล้วนะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ฟาติฮ์กันก่อน อ่เริ่มต้นที่ฟาติฮาก่อนนะอัลลอฮุบิลลหฮิมินัสเซยตานิรรจิมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรฮีม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 อียักะนับบูดวยอียังกระนั้นตั้งยินอิฮดีนศรัตัลมุสตะอิมศรัตัลที่นั้นอันงามต่ำเลยหิม غير المذوب عليهم ولاضالين อาเมนข้อพระคัมภีร์ที่หนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับ ยาอายุหัลละดี ن ะมนุกุนุก้าวมีนะบิลังคิสติ ه ัวดะลลนะตรงนี้นะอูดุบิลลาฮิมินั ط ชัยตานอัรา يا เ ي ه ยห์ ن หล ا าُ و ُ่ و ่งเมาต้องคุณก็ว ش มีนบ ل ลก อายะแรกก็ยาวเลยนะเจยวกีบอกเอาค่อยๆวอร์มไปก่อน <laughs> สนเองก็เกือบไปนะเอาเอาเอาทีละวักละขั้น <c oughs> อ่าอามานูก่อนละขั้นนี่นะเย้ไอ้ยูฮัลทีน่ามานู กุลุกอมีนบิลกิสติชูฮดาลิล่าคำว่าลิล่านะครับให้มีเสียงฮาใหญ่อยู่ข้างหลังด้วยนะ อ่าพ่นลมอ่าพ่นลมหาใหญ่ด้วยเพราะว่ามันอ่านหยุดชูฮเดอลิลลอ่ามีเสียงเฮ่นิดนิดหนึ่งนะอ่าแต่ไม่ต้องไม่ต้องดังมากนะนิดนึงอีกรอบหนึ่งกูนูกวามีนบิลกิสติชูฮเดอลิ ล, ลา ว่าเลวะเล่าฟุศิคุมเอาวิลวัลเดียนิวัลอัควรบิฟุศมอววลดนวรบอรอบหนึ่งว่าเ ฟุศิกุมอาวิลวาลิดายนีวัลอะครอบิน อนโ่เงี์ฟกีรฟัลลัลฮฺอัลาบิห์มะอ่าดีมากนะครับอ่าตรงอีอ่าตรงนี้อ่านเข้าไปที่ยาและหน่วงเสียงนะ คำว่ากุนตรงนี้ไปเลยเพราะเป็นอิซฮาร์นะครับอ่าแล้วก็กระแทกตรงคำว่ากอนี่นิดหนึ่งนะเพราะว่ามีชัดดาอยู่เป็นกอนี่ยันนะอีะอรอบหนึ่งอีกุลกอนี่ยันเอาฟะกีรฟัลลอฮเอาลาบิฮิมา فلا تتبع َِ الهواء َ أن تعدي َ ل و َ إ ِ ن طلوا. รูฟอิน่ลลาห์แค่ใมาทำงานนข้บีรออ่าซ้อีกครั้งหนึ่งนะครับอายะนี้นะ สามอีหนึ่งครั้งนะครับไปเริ่มที่กูน <ess> ูกาวามียาไอยูฮ uh ัลทีน่าอามนูกูนูกาวามีนบิลกิสต uh ิชูฮเดลิล ว ل าเลวะเล่าอัฟุซิคุมอาวิลว่าลิดนวัลอัรบ อย่าคุณกันย์ย์น์อว่าฟรีร์ฟัลลั่วอัลลาบิหَม่าอย่าคุณกันَ์ย์น์อว่าฟรีร فلا ت تابع อัลฮาตดดิลูฟต ت ع อาตัดดิล إ ن นั่นแหละคือนบีที่ทำรู้นักผู้รู มินแหลนะครับมาดูความหมายนะยะไอยูฮัลเลดีนาอามานูอัลลอฮ์เรียกบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายกูนูจงเป็นกูนูตรงนี้จงเป็นกาวามีนบิลกิสติชัฮเดลิลล่าจงเป็นผู้ที่ดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรมนะและก็จงเป็นพยานเพื่ออัลลอฮ์ การแรกเลยก็คือความยุติธรรมนะความยุติธรรมก็คือไม่โอนเอียงไปในสิ่งที่เป็นความเท็จหรือสิ่งที่เป็นเรื่องโกหกใช่ไหมคนที่ยุติธรรมเนี่ยเขาก็จะให้สิทธิตามสิทธิที่ได้อย่างเหมาะสมนะครับแต่ละแต่ละข้อนะแล้วก็ชูฮาดะตรงนี้ก็หมายถึงการเป็นพยาน เป็นพยานเพราะในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีวิดีโอถ่ายเอาไว้พยานที่ดีที่สุดที่จะยืนยันถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็คือเรื่องของบุคคล น, นั่นเองในอิสลามจึงมีการให้ตั้งพยานขึ้นมาและพยานจะต้องไม่เอ็นเอียงจ้องยืนยันในสิ่งที่ตัวเองนั้นได้เห็นมาตามสภาพความเป็นจริง อเล่บอกว่าว่าเราอาลาอันฟุสีกุ้มอาวินวาลีไดนีวนอกรบีนถึงแม้ว่าไอาการยุติธรรมของเราเนี่ยหรือไอาการเป็นพยานยืนยันความจริงเนี่ยมันจะนำสิ่งไม่ดีมาสู่ตัวเองนะบางทีมันอาจจะเสียประโยชน์เนี่ยถ้าเราเกิดพูดความจริงเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดเสียประโยชน์กับเราแต่เราเลือกที่จะโกหกเพื่อจะได้ประโยชน์อันนี้ไม่ได้ หรือไอก า, ารที่เราเป็นพยานตรงนี้หรือการที่เรายุติธรรมตรงเนี้ยอาจจะนำภัยหรือนำสิ่งไม่ดีมาถึงคนที่เป็นวาลีใดก็คือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่วันอักรบีนหรือแม้กระทั่งญาติใกล้ชิดก็ตามนะดังคาพูดท่านอบีคํหนึงที่บอกว่ากุลิลัลลกวาา แ, แก้นมุรนันนะท่านทั้งหลายจงพูดความจริง แม้ว่ามันจะขมขื่นก็ตามนะครับดังนั้น อ, อิสลามของเราเนี่ยความน่าเชื่อถือหรือความซิกก้เนี่ยมันก็อยู่กับคำพูดและการกระทาของเรานะถ้าเราเราเลือกที่จะโกหกนะครับบางครั้งเราอาจจะสูญเสียเครดิตความน่าเชื่อถือไปตลอดเลยก็ได้นะครับอ่ะต่อมาอัลลอ์บอกว่าอียกุนกอนียันอาฟกีรันฟัลลอหเอาลแลบีหิมา าหากเขาเนี่ยเป็นคนมั่งมีหรือเป็นคนยากจนเนี่ยให้รู้เลยนะครับว่าอัลลอ์นั้นสมควรยิ่งกว่าทั้งสองกรณีเดี๋ยวผมอธิบายน ะ, ะดังนั้นจงอยา่าอัลลอ์บอกฝ่ละตั ต, ะตะบิุลฮาวะอันตะดิลูอย่าปฏิบัติตามอารมณ์ตัวเองเอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งโดยที่ไม่สนว่ามันจะถูกหรือผิดอันตอดีลูในการที่ท่านนั้นจะ ไม่ยุติธรรมนะอวัยแตนวูนะอนนะเอาตัวอรีดูอลัลลอฮ์บอกต่อว่าหากพวกเจ้านั้นเล่นลิ้นนะมีเล่เหลี่ยมนะหรือจะพูดดีต่างๆแต่สิ่งที่การกระทำเนี่ยมาตรงกันข้ามนะครับหรือผิดหลังให้กับการยุติธรรมตรงนี้แท้จริงแท้จริงอลัลลอฮ์ทรงรอบรู้ นะฝ่ายอินอัลลอฮ์ฮะแกนะบีมาตามาลูนะขอบีรออลอทรงรอบรู้อย่างถี่ถ้วนเลยนะคําว่าขอบีรอตรงนี้เนี่ยไม่ได้รู้แบบแค่คร่าวๆแต่รู้แบบละเอียดถี่ถ้วนทั้งหมดในรายละเอียดทั้งหมดเลยดังนั้นเราโกหกคนอื่นได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราโกหกไม่ได้ก็คือตัวเราเองตัวเราเองเนี่ยแหละครับที่จะเป็นทุกข์ใจสังเกตนนะคนที่โกหกเนี่ยมันไม่ได้ทุกข์ที่ใครเลยนะทุกข์ที่เรานี่ยแหละ เราก็จะรู้สึกแย่เมื่อความจริงถูกเปิดเผยนะและอีกคนหนึ่งที่เราโกหกไม่ได้ก็คือ Allah. อัลลอฮ์แอนแล้ววันนั้นอัลลอฮ์จะเอาสิ่งที่เราโกหกนั่นแหละมาเปิดเผยแล้วจะอายไม่หละพี่น้องขณะนี้มาดูตัวอย่างหนึ่งนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับซอฮาบะฮ์ทันนบีซอฮาบะฮ์คนนี้ชื่อว่าอับดุลลอฮ์บินรอวะฮ์ ซอบ้นานบีคนนี้ชื่ออะไรครับชื่ออับดุลลอฮ์บินรอวะฮารอดิยัลลอของอันฮูเมื่อท่านนาบีได้ส่งเขาไปที่ตําบลคอยบัตตําบลคอยบัตพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายเป็นตําบลที่มียาฮูดอยู่อหมก็พูดง่ายๆว่าถูกอับไปหีถูกไล่ออกไปจากมาดินนะและก็ไปอยู่ที่นั่นโดยที่มีสัญญากันในการอยู่ใต้การปกครองคือพิชิตได้ ตอนหลังตอนแรกเนี่ยไปตั้งตนเป็นเมืองขึ้นมาแล้วตอนหลังนบีพิชิตและเมื่อนบีพิชิตเนี่ยนบีก็ให้สิทธิ์หนึ่งถ้าจะย้ายออกไปไม่ห้ามนะก็จะย้ายออกไปเพราะว่าก็จะเห็นว่าประวัติของเยฮูดนินเขาไปเยือนยุโรปกระจายไปหมดนะแอบคือพูดยังไงว่าอยู่ที่ไหนแล้วชอบสร้างปัญหาก็จะย้ายไปหรือจะอยู่ก็ได้แต่ถ้าอยู่เนี่ยจะต้องยอมรับกฎเกณฑ์เช่นการเสียภาษี และก็อยู่ในกฎเกณฑ์ต่างๆที่ชาดีอัตนั้นเข้ามาหรือกฎเกณฑ์ของศาสนาเนี่ยมาปกครองจะมาดื้อมาเล่นลิ้นแปรธ า, าตุไม่ได้เพราะกฎว่าที่เมืองคอยบัตเนี่ยอาชีพของพวกเขาก็คือเกษตรกรรมนะปลูกผ ล, ลไม้แล้วก็มีพืชพันธุ์ธั ญ, ญพืชต่างๆปรากฏว่าอับดุลลอฮ์บินรอวาฮาเนี่ยก็เป็นตัวแทนไปเก็บไปเก็บอะไรไปเก็บภาษีไปเก็บ เก็บเขาเรียกเก็บค่าเก็บศินไหมเออเก็บภาษีอะไะ น, นะเออเก็บภาษีนะคือจะบอส ก, การกัก็เป็น ร, ร้าสการ์ของมุสลิมเราเก็บภาษีนะค่าใช้เมืองอะไรประมาณเนี้ยนะค่าบารุงเมืองเข้าส่วนกลางปรากฏว่าพวกเขาที่อยู่ในเมืองเนี่ยให้สินบนเออก็บอกว่าท่านราวาฮ่าเอา จากที่เคยเก็บตัอัตรานี้เนี่ยเอาไปส่งครึ่งหนึ่งได้ไหมอ่าก็ให้เก็บน้อยลงอ่าไม่ได้ไม่ได้ยกัยกย่อหรอกแต่บอกให้ปกติต้องเก็บสิบสมมติต้องเก็บสิบโลเก็บสักห้าโลได้ไหมอา้าวแล้วเวลาไปอยู่ที่นู่นแหละไปอยู่ที่นู่นก็บอกว่าอ๋อมันอาจจะเสียหายไปบ้างอะไรไปบ้างถูกไหมหรือว่าเพราะว่าเวลาจะเก็บเนี่ยมันต้องดูอัตราการปลูกสมมติจะเก็บเกี่ยวมาได้เท่าไหร่ก็เป็นอัตราส่วน ก็ไปบอกเขาสิว่าไอ้ที่เนี่ยปลูกได้กี่โลกี่โลก็ให้ลงน้อยไว้ลงบันทึกน้อยไว้เขาจะได้เก็บในอัตราที่น้อยกว่าคล้ายๆเหมือนกันนะมันมีมันมีผลเหมือนกันนะก็ไปติดสินบนแล้วก็ให้อลุ่มอ่วยเขาหน่อยนะปรากฏว่าอับดุลลอฮ์บินราวาฮาก็บอกว่าฉันขอสาบานต่อลอสุบฮานะหัวตายแล้วว่ลลาลอฮิฉันเนี่ยเกลียดพวกเจ้า เขาคือเป็นยเนยโฮ ւ เกียรติพวกเจ้าเนี่ยยิ่งกว่าลิงและสุ ก, กรซะอีกโอ้โหพ อ, อย่าลืมนะพวกนี้เนี่ยมันเคยถูกสาปไปแล้วรอบนึงใช่ไหมเราเรียนในซูราะแต่ว่าทุกวันนี้ไม่อยู่แล้วนะตายเป็นได้กี่วันแล้วก็ตายไปเป็นลิงเป็นสุ ก, กรนะพวกยโฮ ւ ดเนี่ยเกียรติกว่าพวกลิงพวกสุ ก, กรซะอีกแต่ถึงกระนั้นเนี่ยฉันก็มีความรักที่มีต่อท่านรอสูสละอัลาาลอฮฺวาเลหิวะสั่นลำเหลือเกิน แสดงว่าท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยมีสองมีสองความรู้สึกหนึ่งรักนบีมากๆอันที่สองเกลียดไอ้พวกเนี้ยที่พยายามติดสินบนกับท่านแล้วก็ช่อฉนแล้วก็ฟังในกุรานก็รู้เล่เหลี่ยมของเยโฮลดอยู่แล้วเป็นแบบไหนจะไปชอบได้ไงนะแต่การนั้นเนี่ยไอ้ความรักของฉันที่มีต่อนบีเนี่ยหรือความเกลียดชังที่มีต่อพวกท่านเนี่ยจะไม่ทําให้ฉันเนี่ยอยุติธรรมต่อพวกท่านแน่นอนคืออะไร รักน บ, บีมากไปไงเขียนอัตตาเกินเลยเก็บเยอะๆเพื่อเอาใจน บ, บปปีปกติเคยเก็บสิบใช่ไหมไม่เอาเอายี่สิบเอาใจอะไรเอาใจน บ, บีเลยก็เกลียดอยู่แล้วนะอันที่สองปกติต้องจ่ายสิบแกงมันเลยเก็บยี่สิบเลยก็เกลียดไงเกลียดเกลียดเกลียดพวกมันก็เก็บเยอะจริงๆเขาจ่ายแค่สิบ คือทั้งความรักเอาเพิ่มก็ไม่ได้ทั้งความเกลียดที่มีต่อพวกเขาก็ไปเอาแกล้งเขาก็ไม่ได้เออเห็นไหมต้องยุติธรรมจะเอาความรักส่วนัวเอาความเกลียดส่วนตัวมามาเกี่ยวข้องไม่ได้แปลว่าถ้านาบีสั่งให้เก็บเท่านี้ก็คือเท่านี้จะไปเพิ่มไปลดตามความรู้สึกไม่ได้ฉันเคยนำเรียนกับพี่น้องว่าดเตอร์คนหนึ่งของฉันเนี่ยแกเป็นคนที่ พออ่าอนอายันกูอานนี่เกะกล้วมากเลยคือความยุติธรรมเขาบอกว่าคนดราเนี่ยมันมีความรู้สึกเช่นเวลาสอนกันในห้องเนี่ยลูกศิษย์คนเนี้ยถือขอนมมาฝากครูตลอดเลยแล้วก็ชอบไปหนวดไปนวดขาครูด้วยครูเวลามีเส้นเหมนะืนนวดจับกระสายเก่งอะ่ะนวดขาครูบ้างครูผู้ชายนะนวดขาชงชาให้กินเขาเรียกลูกศิษย์คนรักแต่เวลาทําข้อสอบเนี่ยมันไม่ผ่านหรอก อะที่มันนวดขาเนี่ยฮอะไปไม่ใช่คะแนนจิตพิสัยนะจิตพิสัยเรื่องหนึ่งแต่นี่เขาเรียกว่าความรักส่วนตัวบวกคะแนนให้อย่างนี้ยุติธรรมไหมเนี่ยไม่ยุติธรรมไม่เกี่ยวเราจะรักมากแค่ไหนแต่มาตกก็คือตกเอออย่างนี้ไอ้คนขยันอ่านหนังสือมาอ๋อกูเกลียดมันเว้ยไม่ผ่านเห็นไหมเขาทำยังไง ร, รู้ไหมเขาบอกเวลาฉันตรวจข้อสอบเนี่ย มันเป็นข้อสอบอ่านเนาะถ้าคนไหนที่เรารู้สึกดีกับเขาอะ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเรานิดหน่อยนะ่ะไม่มองข้ามแต่คนไหนที่ ร, รู้สึกเกลียดมาแล้วก็ไม่ข้ามหรอกเอาหมดเลยตดัตดตดัดตัดตัดตัดละเอียดยิบ เ, เลยตดัดอยู่เรื่อย <laughs> ฉันบอกอันนี้มันเป็นความรู้สึกของมนุษย์จริงๆนะถ้าคนไหนที่เรารู้สึกดีกับเขาเนี่ยเราจะมองไม่เห็นข้อไม่ดีเขาเลยแล้วคนไหนที่เรารู้สึกเกลียดเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วน่ะ มองไม่เห็นข้อดีเขาเหมือนกันนี่แหละที่อยายักษุเดชเนี่ยเตือนพวกเราว่าอย่าเป็นแบบนี้นะเ อ, อดังนั้นดรเตอร์ฉันทำไงรู้ไหมให้เขียนชื่อไว้ที่มุมและแม็กไม่ให้เห็นชื่อแกจะตรวจตามความจริงทั้งหมดแล้วค่อยไปเปิดชื่อกันทีหลังไม่รู้ว่าใครเขียนยังไงก็แล้วแต่เอาตามความจริงเปิดชื่อมาก็ตามนั้นเพราะถ้าดูชื่อแล้วตรวจเดี๋ยวไม่ยุติธรรมเห็นหมเออนี่คือความน่ารักของด็อร์ท่านนี้ที่เขาสอนหนังสือนะ เอดังนั้นใครจะไปนวดแกไม่มีมผลอะไรไปนวดเถอะไม่คะแนนไม่เพิ่มอ่าคําว่าตั้นวูพี่น้องอ่าตั้นวูเอลอสบอกว่าวัาวาลาวานาอันฟุสิกุมอวินวาลีไดนี่วันอากอร์บีนแม้ว่าอาการที่เราจะเป็นพยานหรือการที่เราจะยุติธรรมเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราตัวเราด้วยเป็นพ่อเป็นแม่เราหรือญาติของเราก็ตามก็ต้องยืนยัน ความเป็นจริงแบบนั้นคําว่าตันวูเนี่ยบิดเบือนตรงเนี้ยมีความหมายที่หนึ่งก็คือเปลี่ยนแปลงการเป็นพยานครับถ้าตันวูตัวนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการเป็นพยานนะสร้างพยานเท็จหรือไปข่มขู่พยานดังนั้นเวลาศาลเราเนี่ยคนที่มีที่พลเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้ประกันตัวเพราะกลัวว่าจะมีผลกับพยานเดี๋ยวไปข่มขู่นะอีกคํานึงเนี่ย แปลว่าบิดเบือนเหมือนกันเรียกว่าอัลลายูอัลลยูตรงนี้แปลว่าบิดเบือนโดยการใช้การโกหกเ mm. ออคือบิดเบือนโดยการใช้การโกหกสาลามตรงน้เชิญครับนี่ก็บิดเบือนเหมือนกันนะคือข้อเท็จจริงจะเปลี่ยนไปเนี่ยมีมีเหตุผลอะไรบ้างหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนพยานทำให้พยานเนี่ยกลัวไม่กล้าให้การ ข้อเท็จจริงก็เปลี่ยนไปแล้วอันที่สองเกิดจากการโกหก อ, อันที่สามเขาเรียกว่าเอียรอดเอียร์รอดยังไม่ได้โกหกแต่เป็นการปกปิดความจริงแปลว่าอะไรแปลว่าไม่พูดไม่ได้โกหกเลยนะไม่ได้โกหกนะแต่ปิดบังข้อเท็จจริงเอาไว้เงียบเรียกที่จะพูดเล่า คุณเอาให้เล่าเหตุการณ์เม่อนั้นมาเล่าแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึง่งไม่เล่าแหมอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าเป็นพยานที่เท็จไหมก็ถือไม่ถึงก็เท็จแต่ว่าคุณก็มีความผิดเพราะไม่กล้าไม่เล่าร้อยเปร์เซ็นต์เห็นไหเอ้อรอดก็คือการปกปิดความจริงนะครับซึ่งทั้งสกรณีนี้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนพยานหรือการโกหกเลยหรือการไม่เล่าให้หมด ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความไม่ยุติธรรมนะพี่น้องนะมีความผิดหมดเลยนะบางคนบอกฉันไม่ได้โกหกแต่แค่เล่าไม่หมด <c oughs> ไอ้เล่าไม่หมดนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องความผิดนะต้องเล่าให้หมดนะครับตามที่เรารู้เราที่เรารู้เห็นนะแล้วก็เล่าเกินจริงไปเลยถ้าเกินจริงก็โกหก <c oughs> เล่าไม่หมดก็ถือว่าปิดบัง <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ต่อเติมกันไม่ได้ <c oughs> ต่อเติมนี่ใส่ร้าย <c oughs> เห็นไ่ากีช่วยตับซีดด้วยทำนี่ละอ่า อ่าน บ, บีบอกว่างี้นะขออีก hadis ห, หนึ่งนะครับคอยรุชชูฮะดาอัลละดียะตีบิชาฮะดาตีกอบละอันไอยยะสอัลลฮะนบีบอกพยายนที่ดีเนี่ยเขาจะเป็นพยานก่อนที่จะถูกขอให้ขอให้มาเป็นคืออะไรคือถ้าเรารู้รู้เห็นอะไรโดยที่ที่ที่จะทํำจะยืนยันได้เนี่ยไม่ต้องไปให้เขาตามตัวหรอกเราสามารถที่จะแสดงตนอยู่ยนั้นเลยอ๋อฉันเป็นพยานให้ได้จ้ะวา ก, วกีพูดความจริงไม่ใช่นําเป็นมองไม่เห็นไม่ใช่ บอกได้เลยยืนยันความเป็นจริงไดัฉันยืนยันเรื่องนี้ได้เลยไม่ต้องไปตามตัวถึงบ้านนะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของอายะนี้ที่เป็นหลักการในการใช้ชีวิตนะเอาอเปรียบเทียบนะแม้ว่าไอความการพูดความจริงเนี่ยมันจะนำมาซึ่งอันตรายกับตัวเองเสียผลประโยชน์พ่อแม่เราอาจจะเดือดร้อนแต่อิสลามไม่อนุญาตพี่น้องโดยเอาความรู้สึกส่วนตัวมามาเลยมาบิดเบือนข้อเท็จจริง ข้ที่จริงก็ต้องเป็นตามนั้นนะครับบางคนเอ็เลยถ้าเป็นเป็นมะเป็นปลาเราเราเข้าข้างหมดเลย น, นี้ก็ไม่ถูกนะครับอ่ะต่อมาครับอายะที่หนึ่งรอสาสิอ่วอลูรีนะตใตอนนี้รม ย ا เอ ه ยห ل เหล่า ن ี่นั่ ا آ آ و ا มาลูเมาลูบิลลาหีว ا รสุลียาเอเยห و เหล่าที่นั่งเมาบรสอีกรอบหนึ่งนะ อันแรกนี่อามานูอันที่สองอามีนูนะอ่าอามานูกับอามีนูแต่ระวังสลับกันนะยาอยยฮัลทีนามานูอามีนูบ ا ل ลาฮิวะราะซูล เมื่อกี้ผมไม่ได้หน่วงใช่มั้ยลืมป่าวขอมาอัพทีอีกรอบหนึ่งนะยะไอ้ยูฮัลล์ทีนาอามินูอามินูบิลลาฮิวะรัสูลิ والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي, وال الذي أنزل من ق َ ب ل ว่า ي ม่ยักฟรบิ الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر เดี๋ยวตัดหน่อยนะนต้องรู้สุรีแล้วกันหายใจไม่ครบหมด ล, ม, ม, ดลมกี่บอกจะหมดลมแล้ว <c oughs> คือวักมันมันหยุดได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าถามประโยคมันเนี่ยก็คือจบตรงนั้นอแล้วก็ฝ่าก็คือม า, มาสรุปไงแต่ว่าถ้าเราไม่ไหวแล้วก็อยู่ตรงนี้ได้วารุสุรีมมาาเอเพราะว่ามาลามันห้าฮารอกะ น, นะไอ้รอบนึง و م าไม่ยากฟุร์บิล له وملائكته وكتبه وكتبه ورسوله อตรงนี้ต้องระวังนะไม่ใช่รอซูนนะรูซููซูลิอ่รูสู ล, สลิบางคนไปเพิ่มวาวเป็นรูรูซูนไม่ใช่นะอะ่รูสูลิวัลยวมิลอคีริฟะกอดดอลดลดอละลัมบาอิดา ه, อ่าตรงนี้มันจะมีสองตัวนะฟากอดเดกอดเดดอลกอดเดอลนะอีกรอบหนึ่งวันยุ่มิลอัครฟากอดเดดอลดอลลาัมบ้างดะวันเยุ่มิลอัครฟากอดดดอดอลลาัมบ้างดะอ่าอันอี้รอบนึงนะ ي า ا ายุร์นั้ ا م ีน่าอ ن َานุยาอียูฮ์ฮ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 กีนะอันนูนตายพบายตัวใจหลวงเสียงด้วยนะเออเออเจอละอีกรอบหนึ่งวัลกิตาบิลล่ีเออเจละม่กอบล อัล h ม m d u l i l l a h ดีมากครับว่าไม่ยากฟุรบิลลอฮิว่ามาเลกัติฮิว่กุตุบิฮิวรุสลิ วันย ا ุมอัลอาฮิร์ฟัควัดดัลล์ดัลลาลัมบะยิดะอัลฮัมดุลิลละนะครับ อันนี้นะยาอายุราธานีนะอามานูอามีนูบางคนบอกอ้าวอาจารย์คําเหมือนกันเลยทําไมสระไม่เหมือนกัน mm hmm. เพราะว่าคําว่าอามานูเนี่ยก็คือผู้ผู้ศรัทธาส่วนอามีนูเนี่เป็นกริยาจงศรัทธาเห็นไหมมันเลยไม่เหมือนกันความหมายไม่เหมือนกันอามานูก็คือผู้ศรัทธาโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายอามานีนูจงศรัทธา อ่าเป็นกริยานะจงศรัทธาว่าตัวตนี้เป็นวาุนจะมาพวกท่านทั้งหลายจงศรัทธาบิลละศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะรอซูลีแล้วก็รอซูลของพระ อ, องค์เถิดนะตรงนี้หมายถึงใครเนี่ยรอซูลคนนี้หมายใครท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเวลกิตาบิลละทีนั่งละอัลาาะซูลีและให้ศรัทธาต่อคำภี กิตาบอันกิตาบตรงนี้ก็คืออัลกุรอานซึ่งนซาลาเลรรอซูลีได้ประทานให้แก่รอซูลของพระองค์วัลกิตตบิลแลดีและก็บันดาคัมพีอ่าแล้วก็คัมพีขอโทษทีแล้วก็คัมพีททพนะที่พระองค์นั้นได้อันซลมินกอบประทานมาก่อนหน้านี้พี่น้องสังเกตสองคำนะ หนึ่งคำแรกก็คือนัซร่าอันที่สองอันซร่านซร่านีอันนี้อะไรของกุราอานกุฎาอานจะใช้จะใช้คำว่านัซร่าแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าลงมาทีลงมาไม่ใช่ลงมาทีเดียวลงมาตามวาระโอกาสจะใช้คำว่านัซร่านิดเดียวเองทยอยลงมาเพราะกุราอานเนี่ยจะไม่เหมือนคำพีก่อนหน้านี้ อ่าคือกุอาฏิเนี่ยจะทยอยลงมาตั้งแต่อิกราเารอแล้วก็มีเหตุการณ์แล้วก็จะทยอยลงมาจนจนกระทั่งนะถึงอายาสุดท้ายซึ่งอยู่ในสุรบกกรออ่าเอ่อจริงจริอันยาวอันยาวเนี่ยไม่ใช่อายาสุดท้ายที่ถูกประทานลงมานะเป็นคุ ก, กลมสุดท้ายครบแล้วแต่มีอายาสุดท้ายอีกที่ถูกประทานลงมาอยู่สุรบกรสุรบกกรอเนี่นแหละนะ คืออยู่ก่อนอายะที่ยาวที่สุดนะเรื่องของพยานเพราะพึ่งสอนหนังสือไปจําไม่ได้ละหนึ่งแปเท่าไหร่ม่รูอ่าปรากฏว่าอ่อานอีจะถูก ป, ประทานลงมาเรื่อยๆนะซาลาทยอยลงมาตามวารคและเหตุการณ์ดังนั้นเจอจะได้เห็นจะได้ยินคําว่าอัสบาบุนูซุนแปลว่าสาเหตุของการประทานอันกุรานมีเรื่องก่อนพอมีเรื่องเสร็จปับ๊บอัลลอฮ์ก็ลงอายะกุรานลงมานะใช้เวลายีบสามปี ส่วนเวลกีตาบิลละีและคำพีที่อัลลอฮฺอันซลตรงนี้คือมาแบบครบเลยทีเดียวม า, ามาก่อนกุราอัานแต่เวลาลงอ่ะลงแบบมาเป็นเล่มเลยนะลงมาครบเลยทีเดียวไม่ได้ทยอยลงมาเหมือนกุราอันอ่าอพี่น้องคิดว่าต่างกันไหมต่างกันเพราะการที่กุราอัานทยอยลงมาเนี่ยมันทำให้หัวใจของผู้ศรัทธาเนี่ยหนึ่งเขาเรียกอะไรนะมีความเฝ้ารอคอย ง่วงนอนหรือจ้าเฝ้ารอคอยอากาศมันน่านอนนะเ อ, อเดี๋ยวถ้ากินอะไรไปด้วยเนี่ยหลับสบายมีข้าวเหนียวไหมแต่ข้าวเหนียวนี่หลับแน่นอนนะเฝ้ารอคอยและอิมานเนี่ยมันจะทยอยเพิ่มขึ้นอ ะ, อะไรที่เรามีการรอคอยมันจะมีคุณค่านะเย้ไหมรอคอยเวลามาเรื่อยๆแต่ถ้าได้มาตุบทีเดียวเลยบางทีเป็นไง วางทิ้งไว้ฝุ่นจับแล้วไม่สนใจแล้วคือกุรอ่านที่บ้านเราทุกวันนี่มันครบแล้วไงก็เลยไม่ค่อยจับกันเท่าไหร่แต่ซอบา้นานอบีเนี่ยพอมาทีนึงก็หยทองกันทำความเข้าใจกันแล้วก็รออีกแล้วมเมื่อไหร่จะมาอีกนนะความรู้สึกมันจะต่างกันเอาต่อมาวะไมายักฟุรบิลเล่ผู้ดใดที่ปฏิเสธอัลลอ ว่ามาลยอิกติฮีบันดามาลยอิกะของพระองค์ว่ากูตุบีฮีบันดาบันดาคัมพีของพระองค์ว่รุซุลิฮีและก็บันดารอซูลของพระองค์แสดงว่าเราเนี่ยปฏิเสธคนใดคนหนึ่งในบรดารอซูลได้มไม่ได้มาลยกะ ไ, ไ, ไม่ได้เลยนะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคื อ, คอต้องยอมศรัทธาทั้งหมดยอมรับทั้งหมดวันเยวมินอาคิดและวันสิ้นโลกนะวันปรโลก ฟาโกดอนและบอแลลัมบารีดานั่นแหละคือทางที่หลงแบบไกลลิฟเลยในกูอ่านบอกหลงทางแบบไกลลิฟขออนุญาตนําเสนอนะเขาบอกว่าจงศรัท ธ, ธาหลังจากที่ศรัท ธ, ธาแล้วอัลลอฮ์ทรงใช้บ่าวของบุตองค์ให้เป็นผู้ศรัท ธ, ธารักษาบัญญัติแห่งอิมานไว้ทั้งหมดแปลว่าอะไรแปลว่าจะต้องเชื่อทั้งหมดนะจะเป็นลักษณะเลือกรักอะไรนะเขาเรียกลักที่ชังอะไรเลือกที่มัก เลือกที่มักรักที่ชังใช่ไหมนี่ภาษาไทยแม่มาชอลหรเลือกที่รักมักที่ชังเออเห็นไหมภาษาไทยตกเนี่ยภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงหรือเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้แปลว่าบัญญัติข้อนี้น บ, บีชันเนี่ยฉันอ่านประวัติแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยซึ้งใจเท่าไหร่ไม่เอาเอาเอาน บ, บีท่านนี้คือชอบใครเป็นมิเศษไม่ว่ากันนะแต่ถ้าปฏิเสธไม่เชื่อไม่ได้นะหรือ คัมภี้ยไหนปฏิเสธไม่ได้แต่แน่นอนว่าเนื้อหาเราไม่รู้อยู่แล้วเป็นยังไงนะเพราะว่าคัมภีร์พวกนี้ถูกเปลี่ยนแปลงหมดยกเว้นกุรานอย่างเดียวนะครับแต่เราเชื่อว่าที่มาของมันมาจากอัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาแหละแต่ปัจจุบันนี้เราไม่สามารถจะแยกได้เลยว่าอันไหนมาจากอัลลอฮ์จริงๆหรืออันไหนมาจากการแต่งเติมของมนุษย์หมายถึงคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะคำหนึ่งพี่น้องครับที่เราจะต้องขอเป็นประจําเลย เพื่อให้อิมานของเราเนี่ยเป็นไงสมบูรณ์ก็คือคําที่เรากล่าวในละมานนั่นแหละคาว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องอีดีนอสซิรอลมุสตะกีมประโยคนี้เนี่ยที่เราเป็นที่มาที่ว่าเราอ่านอะมนกันเนี่ยพี่น้องรู้ไหมที่ว่าเราอ่านฟอดดีธาเราอ่านอะมนกันทำไมอะ่ะเพราะประโยคนี้เลยเพราะเป็นประโยคเนี้เป็นโดอเป็นดดอาที่อยู่ในกุรานอีดีนอสซิรอลมุสตะกีมโปรด แนะนำเราขอพระองค์นั้นส่งแนะนำเราชี้ทางเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงถ้ามีคำว่าเที่ยงตรงก็จะไม่ดรอลาลัมบาอีดาไม่ออกห่างจากทางที่ลงผิดนะครับดังนั้นประโยชน์ตรงนี้อย่าลืมนะให้เรานึกถึงด้วยเลยอิดีนอสซีรอตอลมุสตากรีมเป็นดูอาตลอดเลยหรือแม้ว่าเราจะอ่านเป็นดูอาก็ได้นะ บางคนอาจจะไม่ได้อ่านซาดีฮะนึกในใจอยากจะขอ อ, อ, อิฮดีนัสซีรตอตันมุสตะกีมอิฮดีนัสซีรตอตันมุสตะกีมตอนนี้ก็เป็นดวอาในตัวเหมือนกับรอบบรรนาที่เราอ่านรับบรนาตีน่าฟิตุนยาสะนะนี่ก็กุรอ่านแล้วเอามาอ่านเป็นอะไรเป็นดวอาได้แต่ทุกครั้งที่เราอ่านฟาดีฮะเนี่ยมันเป็นดวอาไปในตัวเลยเพราะอายานี้เป็นดวอาด้วยนะครับนะก็มีประมาณนี้นะตรงอายานี้นะขอดวอานะให้เรามั่นคงในอิมานแล้วก็ศรัทธาอย่างสมบูรณ์นะครับ ไม่หลงผิดไปนะอ่ะต่อมานะครับจะพูดถึงเรื่องของมุนาฟิกแล้วอ่านถึงอายะที่140เลยน ะ, อ, ะ อ, นอ่านให้จบวักมนเลยนะมันจะมีเบิ้ลคำนะครับ อ, อ่านจนจกระทั่งถึงซุมมากาฟารูอันสุดท้ายนะ ดูให้ดีนะเอาอุดมไปเลมินะชัยตอนุราชิอินัลลิณะมนูษุมมะแกฟารุสุมมะมนุษุมมะแกฟารู อ่าอีกรอบหนึ่งนะอินนัลเลดีนะมนุษุมาแกฟฝรูษุมาเอามนุษุมาแกฟฝรู ثمّ أزدادُ كُفّ رَلَمْ يَكُونُ لَهُ لِيَفِيرَ <ت ص> لَهُمْ <ق> ثمّ أزدادُ كُفّ ร่ำลัมยกุนิลาหู liya ฟีรอา لهم ร่ลัมยกนิลาหูฟร لهم รลัมยกนิลาหู liya ฟีร่า لهم ว่ลา liya ดิ่หุมสับีลาฮุเลียฟิรลาหุมวะลาลียะดิ่หุมสับีลาไอรอบนึงนะลำลำยาคูนิลาฮุเลียฟิโรลาหุมวะลลียะดหุมสบบีลา بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم ไอรอบหน ال ึ่ง بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليما.الذين จะ خذون الكافرين أوليا أمدون المؤمنين อีรอบนึ่งนะผู้ทีีนผูัทธาในผูนผู้ศัทธานรนาาานนน ต่กูนั่งหุ่มลอิจฉาฟอินนอลิลลาฮิมีอาตกูนุลอฟอินนอลิลลาฮิมีอาดอีกรอบนึง อา ي า ب ت غ و م نعدهم العزة فإن العزة لله جميعا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إ ِ ذ َ ا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ نزال عليكم في الكتاب أن إذا ثمعتم آيات الله นัอยู่ตรงนี้นะยุกยุกฟารู ب ه ا ف จะ خ و ض ่ดี حديث غ ي ر นอื่นอื่นอื่นอื่นอื่นอื่นอื่นอื่นอนอน อ่าอีกรอบหนึ่งอินนากุมอีเดมมิสลูหุม อินนั ه ลลอฮะจามีอัลมุน افق ีน์และคาฟิรีน์ในจัฮันนัมจามีอา อินนั่ลลอฮะَามีอัลมุนาฟิกีน์วัลคาฟิรีนฟَ ه ัฮันนามะจามีอา ขออนุญาตอ่านอีกรอบนึงคันนี้ไปไวๆนะอีกรอบหนึ่งตั้งแต่อายาที่หนึ่งร้อยสามสิบ็อินนัลเลดีนาอามานูซุมมากะฟารูซุมมาอามานูซุมมากะฟารูอีกรอบหนึ่งนะอ่า น, นอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นอายาที่ต่อเนื่องกันนะเจอไหมอ่าเจอนะไปพอไปไกลปั๊บไม่ค่อยเจอมันจะลืม <laughs> เริ่มใหม่เริ่มใหม่อ่า إ ินนั่ลล م ดีนَ่อ ah, ัมานُส ا ม์คาฟาร ف สุม์อัมานุสุม ف คาฟารุสุมมัซดาดูคุ م รัลลั ا ยังคุนินละฮุลยัฟฟิร่าลุมเอาต์เบนชัยตันอิร a d j i ثمّ ز د ا د ُ ك ُ ف ر ا ل م ي ك ُ ن ا ل ل ه ُ ل ي َ ف ِ ر ل َ ه ُ م لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليديهم ه س ب ي ل ا بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليما.الذين จะขี่ด و นักกิฟรีนอวุม หายใจนิดนึงนะพอเจออายะยาวๆเราก็พักหายใจอายะบตะกูนัยเดหุมุลอิซซาเตฺอินน์อิซซตลิละฮิจะมีอ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله بِهَا บَ ي ُวْยุตْ ز َ أ ُ بِهَا فلا تقعو د معهم حتى يخوض في حديث غير อินนักุมอิดัมมิสลุห์มอินนักุมอิดัมมิสลมอินน ا, إ ع م, م ع المنافقين والكافرين في جهنم جميع อ่ามาดูความหมายนะครับอลัลลอฮ์บอกว่าอินนั่นละดีบรรดาผู้ซึ่งอามานูซึ่งก่อนหน้านี้อลัลลอ์บอกแล้วเนาะคนที่เป็นอามานูอย่างแท้จริงเนี่ยเขาจะเชื่อแบบหมดหัวใจแปลว่าไม่มีแล้วที่จะมาลังเลสงสัยหรือศรัทธาที่มีการแอบแฝงผลประโยชน์เอาไว้นะ และบางคนเนี่ยพี่น้องครับเมื่อเขาศรัทธาเนี่ยอย่าว่าจะได้ประโยชน์เลยเสียประโยชน์นะบางคนต้องจากบ้านจากเมืองอย่างบุญดาผู้คนที่เป็นโมฮาจีรีนเนี่ยที่อพยพมาฮิจรรอมาเนี่ยไม่ได้ว่าได้ขายบ้านที่นู่นนะบางคนบอกขายบ้านที่มะกาแล้วเอาตังมามาเลยนะมามาสร้างใหม่มาดีนะไม่ ม, ไมียึดเลยมาแต่ตัวนะกระเป๋าใบหนึ่งเสื้อผ้าไม่กี่ผืน แล้วก็มาแต่ตัวนี่พี่น้องคนนะ่ยใจขนาดเนี่ยบ้านใหญ่โตที่มักกะมันยึดเลยอย่างคุณโราลเนี่ยไปอยู่หนองจอกอย่างชั้นอยู่บงจอกบางทีขายที่กรุงเทพไปอยู่หนองจอดแต่นี่ไม่ใช่นมะมาให้อไม่เกี่ยวกัน <c oughs> เออับดุลราะมบินอูฟเนี่ยท่านก็เป็นเศรษฐีแต่เวลามาเริ่มต้นเนี่ยมาเริ่มต้นอยู่ที่เมืองบาดีนะเนี่ยมาแต่ตัวนะแล้วก็มาอาศัยชายคาสุเราอาศัยอยู่ มีคนจะให้สตัง์ท่านท่านบอกว่าขอยืมเมื่อยืมตังเสร็จแล้วก็ไปไปตลาดาไปทําอะไรอะ่ะไปตลาดไปซื้อไม่ใช่ไปทําการค้าขายจนกระทั่งท่านประสบความสําเร็จเป็นพ่อค้าที่มีความร่ํารวยนะส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นพ่อค้าเหมือนกันในสมัยท่านนาบับีแต่เป็นคนที่ตะนีทีเนี่วก็อูบัยบินคอร์ลฟอันนี้ก็รวยเหมือนกันแต่รวยแบบอัลลอฮ์โกรธรวยและปัดเยื่อยิงรวยและปฏิเสธ นะี่ยส่วนอับดุลรมอมาบินอัฟเนี่ยเป็นบะินอัฟ์นั่นแหละนะผมใช้ภาษาแปลกๆหน่อยบินอัลฟนะ์แต่ว่าเป็นภาษาบางคนก็เรียกบินโอฟภาษาอังกฤษเนี่ยอัฟนะอัฟนะอันนี้เป็นซอบาเนบีที่ค้าขายร่ำรวยแล้วก็บริจาคอย่างมากมายพี่น้องรู้ไหมว่าครอบครบัวเนบีหลังจากเนบีวัฟาตไปแล้วนบีวัฟาตไปแล้วเนี่ยถามว่าใครจะเลี้ยงดูภรรยาเนาบีล่ะพรนานบีมาอยู่แล้วแต่งงานใหม่ก็ไม่ได้ นี่แหละคนนี้แหละเป็นคนอุปการะหมดเลยเป็นคนให้ค่าเลี้ยงดูเพราะว่าตอนที่นบีเจ็บเนี่ยนบีเป็นห่วงภรรยามากพอ ร, รู้อยู่แล้วว่าภรรยาทุกคนน่ยไม่แต่งงานใหม่ไม่ได้และเมื่อนบีไม่อยู่ใครจะดูแลบางคนเป็นทาสมาก่อนบางคนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้รับอิสลามด้วยนะแล้วก็จะทํำยังไง ทุกใจมากนาบีทุกใจคือเป็นคือตัวเองเนี่ยรู้แหละว่าจะกลับไปหาอัลลอฮ์เอาล้อเตรียมอะไรไว้เตรียมรางวัลที่ยิ่งใหญ่ไว้ให้คนอยู่ข้างหลังล่ะทําไงและท่านนบีเป็นคนที่ร่ารวยไหมไม่ได้ร่ารวยอะไรด้วยอับดุลละมานบินโอฟจับมือนบีบอกยาโรสุลลอฮ์ไม่ต้องห่วงนะฉันดูแลให้หมดเลยนะเนี่ยอัลลอฮ์จะส่งคนดีๆมานะครับแล้วนบีก็ขอดูอาให้แล้วก็บอกว่าท่านจะได้รางวัลในสวรรค์ ได้จอยู่กับชั้นในสวรรค์ในฐานะที่ดูแลครอบครบัวนบีหลังจากที่นบีไม่อยู่แล้วคนที่เขาศรัทธาต่อรอดเนี่ยเขาจะไม่มีแม้ไม่มีคําว่าหากแม้ว่าไ อ, ไอ้นู่นไอ้นี่คือมีการดอกจันเอาไว้อพี่น้องเวลาซื้อจะซื้อของอะไรเนี่ยระวังให้ดีพวกดอกจันนะเหมือนว่าได้ที่ไหนได้ไม่ได้หรอกเงินไขมันเยอะข้างล่างคราวนี้ อายะต่อมาเนี่ยก็พูดว่าอินนั่นแลีนาอามานูคนที่แสดงการศรัทธาซุ่มมากาเฟรูหลังจากนั้นก็กลับไปปฏิเสธเอาล้อยเรี่ยซุมมาอามานูพอมาอยู่ต่อหน้าบรรดาผู้ศรัทธาก็อ๋อฉันก็ศรัทธาพอกลับไปอยู่กับพวกพ้องที่บ้านเป็นไงเหมือนเขาเลยกลับไปกลับมากกี่บอกกันทมดินละเนี่ยกลับไปกลับมาดังนั้นถ้าคนคนหนึ่งมารับอิสลาม ขอโทษนะพอสามีเลิกแล้วก็กลับไปอยู่แบบเดิมไอ้ น, นี้เร็มมุสลิมแท้ไหมเนี่ยไม่ใช่มุนาฟิกแสดงว่าไอ้ที่เข้ามาเนี่ยมันเข้าเพราะอย่างอื่นไม่ได้เข้าเพราะศรัทธาเพราะศรัทธาเนี่ยไม่เกี่ยวกับคนถ้าสามีไม่อยู่แลว้วถูกภรรยาอ่าขอโทษทีสามีเลิกหรือสามีตายกลับไปเป็นศาสนาเดิมพอแต่งงานใหม่ได้สามีมุสลิมเอายี่เลีวมารับอีกแล้ว พอรับไปรับมาปัญหาชีวิตกลับไปอย่างเดิมอีกแล้วในสังคมบ้านเรามีแบบนี้ด้วยนะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะแต่ถามว่าเราจะรู้ไหมล่ะไม่ใช่เราจะรู้ไหมว่าเขาจะกลับไม่กลับเราจะรู้ไหม <c oughs> ก็ไม่รู้หรอกถูกไหม <c oughs> ก็ต้องขอดูอาแล้วก็คับประคองกันต่อมาซุมมัสแาดูกุฟรอนพอเขากลับไปครั้งเนี้ย ครั้งครังครั้งที่สองเนี่ยนะอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์จะเพิ่มปฏิเสธเพิ่มการปฏิเสธศรัทธายิ่งขึ้นเพราะว่าถือว่าอะไรชัดแลว้วไอ้กลับไปกลับมากลับไปกลับมาไอ้กลับไปครั้งแรกนี่ก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่พอกลับไปกลับมาอยู่บ่อยเนี่ยิ่งชัดใหญ่เลยวันนี่ยใช่แลว้วอ่าก็คือมูนาฟิกอัลลอฮ์บอกว่าและเมียกูนิลล่ อัลลอฮ์จะไม่ให้อภัยแหละฮุมวาเ ล, ลียดียฮุมซาบีลาใช่ว่าเพระองค์ทรงใช่ว่าพระองค์จะทรงให้อภัยแก่พวกเขาก็หาไม่อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยหรือใช่ว่าพระองค์จะให้ทางนำแก่เขาก็หาไม่แปลว่าไม่ได้ทั้งการอาภัยและก็ไม่ได้ทั้งทางนำคนที่เป็นมุนาฟิกแบบเนี้นะหนึ่งการอาภัยโทษได้ไหมเวลามารับเนี่ยไม่ได้ ไอ้ที่ผ่านมาที่มารับแล้วก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเนี่ยไอ้ที่ผ่านมาไม่ได้การอาภัยเลยนะนะและต่อมาคุณจะได้ทางนำได้ไหมก็ไม่ได้เพราะคุณสุดท้ายคุณกลับไปเป็นกูฟอดเหมือนเดิ ม, มด เ, เบิ้ลไปสองเท่าเลยเอาล่ะบอกต่อว่าบัชชิริลมูนาฟิกีนให้แจ้งข่าวดีคลับจริงไม่ได้ข่าวดีนะข่าวร้าย <c oughs> <c oughs> ให้แกบรรดาผู้ที่กลับกอกเถิดว่า นะเป็นการเย้ยหยันพวกอะไรพว ก, พว ก, พ, วกพวกที่เป็นมุนาฟิกที่ว่าตัวเองแจวแล้วหลอกหลอกผู้ศรัทธาได้นะแต่จริงเขาไม่ได้หลอกผู้ศรัทธาได้เลยเขากลับหลอกตัวเองต่างหากมีอันนะละหุมอาจะบันอาลีมาแท้จริงเขานั้นจะต้องถูกลงโทษอย่างเจ็บแสบอาลีมตรงนี้แปลว่าเจ็บปวดเจ็บแสบต่อมาครับอัลลอฮ์ใช้บรรดาผู้ศรัทธานะ อัน ล, ละีนะบรรดาผู้ที่ยึดเอาอ่ายะตะคีรูนั่นแกฟิรีนอลัลลอฮฺเตือนนะบรรดาผู้ที่ยึดเอาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเป็นมิตรเอาลาเาลียอัลเลียนี่คือเป็นมิตรเป็นผู้นำเป็นเป็นเหมือนเป็นไอดอล น, นะเป็นแบบอย่างเลยมินดูนิลลานะเออมินดูนินมุมินีนนะขอโทษทีนะ อื่นจากการเป็นมิตรัทธาทั้งหลายอันนี้น่ากลัวนะเอาคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเขาเรียกอะไรเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบสนิทสนมมากเหลือเกินแต่เวลาเจอคนที่เขาศรัทธาด้วยกันอิมานเหมือนกันเป็นไงห่างเหินแล้วก็อันนี้มันก็น่ากลัวนะพี่น้องผู้มีหมั่นทั้งหลายเป็นมุสลิมกันเนี่ยบางทีโกรธกันไม่ให้สลามกันขอโทษทีเวลาไปเจอคนจีนคนจีก โอ้โหทางพี่นอบพี่เนากลุ่มเป้าแล้วกลุมเป้าอีกทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสเจอมุสลิมเป็นไ ง, ฮงเฮยไม่สนใจไม่เอานะเออแต่คนพวกนี้ยที่บอกว่ากาเฟรีนตรงนี้ที่บอกเอาเป็นเอาลียะตรงนี้ไม่ได้เป็นกาเฟรีนธรรมดานะเป็นกาเฟรีนที่อาจจะคิดร้ายกับอิสลามด้วยเออต้องเป็นกาเฟรีนที่คิดร้ายกับมุสลิมเราแต่ถ้าเป็นกาเฟรีนอีกแบบหนึ่ง ที่เป็นกาฟิรีนที่เขาไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันถ้าเราจะปฏิบัติ ด, ดีกับเขาได้ไม่ได้ห้ามในการปฏิบัติ ด, ดีบ้านใกล้เดินเคียงกันอัลลอ์บอกว่าอายะบะตะกูนาอินหมุลอซซตาฟินไนซตลิลลฮิจะมีออัลล์บอกว่าพวกเขานั้นแสวงหาอำนาจที่พวกเขาคือคนที่ไปคบ เอาคนแกเฟร์นะเป็นมิตรเอาอกเอาใจโดนที่ไม่สนใจเรื่องอิสลามเลยเนี่ยนะเขานั้นสแสวงหาอะไรแสวงหาอำนาจนะแต่รู้ไหมว่าฟาอินไนซ์เดลตาลินแลที่จะมีแท้จริงอำนาจเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นอยู่ที่คนคนนะ่ยมันไม่ได้ให้อำนาจมนุษย์ได้หรอกแต่อำนาจจะอยู่ที่อัลลอฮ์ต่างหากดังนั้น อย่าได้ขายตัวเองกับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาโดยหวังที่จะมีตำแหน่งเอาตำแหน่งเป็นอะไรเ ป, เป็นเป้าหมายอุยถ้าเราไม่ทำดีกับคนคนนี้หรือไม่ยอมบางอย่างบางคนพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายไม่กล้าพูดว่าในพิธีกรรมบางอย่างเนี่ยมันจะเสียอะไรมันจะเสียหลักอากีด้ก็ไม่พูดเดี๋ยวไปไงเดี๋ยวเจ้านายเขาโกรธใช่ไม ถ้าไปเข้าไม่ถ้าปฏิเสธไม่เข้าพิธีเขาเนี่ยซึ่งเป็นพิธีกรรมทางด้านศาสนาเนี่ยและไม่กล้าไปบอกยอมไปเอายอมทําไมอะ่ะเดี๋ยวเจ้านายเขาไม่ให้เลื่อนขั้นไม่ให้เลื่อนตําแหน่งอันนี้ผมเทียบปัจจุบันหน่อยนะปัจจุบันหน่อยให้รู้ไว้ว่าไอ้เจ้านายคนเนี้ยที่มันให้ตําแหน่งเรามันไม่ได้มีอํานาจจริงหรอกคนที่มีอํานาจที่แท้จริงที่จะให้เราขึ้นตําแหน่งเนี่ยคือใครเอารอเนะย ฝ إ ายอินนัยซาตานอำนาจทั้งหมดอยู่ที่อัลลอ์ส่วนมนุษย์มีอำนาจแค่ประเดี๋ยวประดาเท่านั้นแหละเดี๋ยวสักพักเนี่ยมันก็หมดไปแล้วเดี๋ยวมันก็เกษียณแล้วใช่ไหมเออเอาต่อมาอัลลอ์บอกต่อนะวก็ดะนั่ะละอาไลกุมฟิลกีเตบอิดะอันอิดะซามิยะตุมอายาตินละและแท้จริง อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาแก่พวกเจ้าในคำภีรว่าเมื่อพวกเจ้าได้ยินบรรดาอายะห์ของอัลลอฮ์เหล่านั้นถูกปฏิเสธศรัทธาอ่าคือพวกเนี้ยเขาจะทําการปฏิเสธอายะห์ของอัลลอฮ์ปฏิเสธนะซาร่าตัวนี้ก็หมายถึงที่อัลลอฮ์ให้กับนบีมุฮัมมัดนะพวกนี้ก็จะปฏิเสธและไม่พอนะ อยู่กับฟิรูฮาวัยยะต้าซาอูบิฮะทำการเยอะอยันด้วยเยอะอยันอะไรเยอะอยันบัญญัติของอัลลอ์ด้วยอ่ายะต้ายะต้ซาอูแปลว่าเยื้ยุสตซาอูถูกเยอะอยันอ่าถูกเย้อยใหญ่ดังนั้นฟาเลต้เกาะอูดูมาอหุมพวกเจ้าอย่าได้นั่งรวมกับพวกเขาแปลว่าอะไรอย่าไปร่วมสังขยานากับพวกนี้พวกที่ทำการเยอะอยันอัลละ์ ผมมีตัวอย่างนะป้าดีเพิ่งสอนหนังสือไปเรื่องการเยื่ยหยันอ่ามีตัวอย่างอันนึงนะครับเชฟฟาลจานบอกว่าบางคนกล่าวว่าแบบนี้นะอันนี้คํากล่าวของถ้าเป็นมุสลิมเรากล่าวนะตกศาสนาเลยนะเช่นบางคนบอกว่าศาสนาอิสลามเนี่ยไม่เหมาะกับยุคสมัยนี้คิดว่ามีคนกล่าวไหมมุสลิมเราเนี่ยพอเรียนสาหมันเยอะๆสลามป่าเถื่อนว่ะ มเถือนมไม่ทันสมัยล้าหลังใครพูดแบบนี้เนี่ยหมดแล้วนะตกศาสนาเลยใครที่บอกว่าอิสลามไม่เหมาะกับศตวรรษนี้หรือบอกอิสลามไม่เหมาะกับเอามาใช้เมืองไทยก็ไม่ได้เออและบอกต่อว่าแต่และก็บอกอิสลามเป็นศาสนาที่ล้าหลังตกยุคอันนี้ก็ตกศาสนาบอกว่าอิสลามเป็นศาสนาที่รุนแรงในการลงโทษไม่ยุติธรรมต่อผู้หญิง เป็นศาสนาที่ไม่ให้ไม่ให้ความอะไรนะเป็นอาส า, า, าที่กดขี่ผู้หญิงใครพูดแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยอ่าเป็นศาสนาที่ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเนี่ยยาได้อะอันนี้จริงไหมอิสลามไม่อนุญาตผู้หญิงยาได้จริงไหมจริงนะ <c oughs> <laughs> ผู้หญิงนะห้ามยาแต่ฟ้องอยาได้ฟ้องฟาซัคได้แต่ยาเนี่ยมาจากผู้ชายอย่างเดียว อ่าอันนี้เรื่องจริงนะอ่าก็ถูกอิสลามเนี่ยอ่าแต่ไม่ได้หมายขางว่าหย่าไม่ได้แต่ฟ้องหย่าได้นะครับเขาเรียกว่าฟัดซักนะหรือบอกว่าเยอยหยันมุสลิมด้วยนะเช่นบอกว่าไอ้พวกที่เคร่งคัสเป็นพวกเคร่งคัสาศาสนาคือพูดแบบเหมือนกับไม่ดีอ่ะไอ้พวกเคร่งมาละพอเราเราพอพูดถึงสุนนะนาบีมากงไอพวกเคร่ง ระวังนะมันไม่ใช่ธรรมดานะมันจะตกศาสนาหรือเย้ยหยันคนมีเขา่าพวกมีเขา่าพวกโจรไอ้พวกลุงรังอะไรเงี้ยนะพูดแบบนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอันตรายเขาเด็กพวกเย้ยหยันนะอดังนั้นนบีบอกว่าในกุฎานบอกว่าถ้าเจอพวกที่เย้ยหยันบัญญัติของร้อนเนี่ยอย่าได้ไปคุกคีกับพวกเขาอย่าได้ไปร่วมวงกับพวกเขาให้ออกห่างเลย แล้วถ้าเกิดเราไปเจอในอินเทอร์เน็ตอันนี้ผมสอนนะใครที่ไปเจออินเทอร์เน็ตเจอคนที่เขากลังด่าอิสลามอยู่หรือกำลังเอาโสดโทษเอาเท้าเหยียบกุรอ่านอย่างเงี้ยมีในในในในเน็ตในฟในเฟซบุ๊กเนี่ยอย่าไปแช่นะบางคนแช่มันเลยแล้วแต่กระคืนขึ้นพุทธด่าใช่ไหมเอขอประนามแต่แช์ เพราะการแชร์เนี่ยเท่ากับเข้าเรามีส่วนร่วมกับการเย้ยหยันอิสลามแล้วเพราะแชร์นี่แปลว่าอะไรให้คนเห็นไงต่อไงบอกต่อขอไม่ดีบอกต่อได้ไหมไม่ได้ต้องกดรีพอร์ตว่าอันนี้เป็นโพสต์ที่สร้างความแตกแยกส่องแล้วก็กดรายงานไปอย่าไปกดแชร์เด็ดขาดเพราะเป้าหมายของคนที่ลงในอินเทอร์เน็ตต้องการยอดแชร์พวกเราส่งเงินมันเลยให้แชร์กันไป นะแต่ถ้าให้ดูเฉยว่าเนี่ยเขาบอกแบบนี้ถูกไหมอันนี้ไม่ว่ากันอาจจะแคปหน้าจอมาอาจารย์ไอแบบเนี้ยถูกไหมเนี่ยเขาพูดแบบเนี้ยอันนี้พูดได้แต่ไม่ได้ลักษณะของการมีส่วนร่วมกับเขาให้มันแพร่กระจายออกไปแสดงความคิดเห็นเหรอคือถ้าแสดงความคิดเห็นนะ่ยมันก็เท่ากับไปกระตุ้นเนะี่ยผมว่านะปล่อยผ่านเลยแล้วก็ ก, กดรายงานว่าโพสต์นี้เป็นโพสต์อันตราย อันนี้คือวิธีีดุดเพราะยิ่งไปไปไปไปไ ป, ไปทําไปกดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยิ่งอะไรมันยิ่งทําให้คนเห็นมากขึ้นอันนี้ต้องระวังนะต้องระวังนะครับอ่าแล้วมันผิดกฎมาอ่าแล้วมันผิดกฎหมายด้วยมีคนบอกอาจารย์เผากุรีอ่านเนี่ยหวัวเขาเยอะหย่อนอิสลามมากเลยถ้าเราเคยเรียนกีตารเนี่ยกุรอ่านแบบเนี้ยโรงเรียนฉันมีสมัยก่อนฉันเรียนมันมีกุรีอ่านที่ชำรุด เคยเห็นกุฎาี่ชมรุษไหมเขาทํายังไงเวลาเวล า, ว า, ว า, ว า, ท, วาที่จะให้มันคดาได้กําจัดอะเผาเนะี่ยเขาจะมีปี๊บอยู่อันหนึง่งหลังปะเนาะหรือว่าหลังเรียนน่ยหนังสือศาสนาเนี่ยเขาจะเผาแต่เขาเผาเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะศาสนา ก, กําหนดให้เผาเพื่อไม่ให้กุอานเนี่ยไปอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมบางคนขอโทษทีเอาขายช่างกิโลเลยหรือทิ้งถังขยะ เนี่ยไปช่างกิโลเลยขายปรากฏว่ากูตอ่านไปอยู่ที่ไหนก็นไม่รู้ไปอยู่ใต้หนังสือพระงี้ไปอยู่ใต้หนังสือโป่งอ่ี้ไม่อยู่ที่ที่ไม่เหมาะสมนั้นอิสลามเนี่ยเขาสอนให้เผากูตะอ่านไม่ใช่ไม่เผาแต่เผาแบบไหนเผาในกรณีที่มันชำรุดแต่คนที่เผาแบบเยอะหยันอันนี้ต้องประนามและก็ไอคนไอาการเผากูตอ่านเนี่ยนะมันก็เป็นแค่สั ญ, ญาลักษณ์เท่านั้นแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ย กูรราณเนี่ยมันอยู่ในการหาฟิตการท่องจําของเราถ้าเราท่องจําได้เนี่ยเผายังไงมันก็ไม่หายไปจากหัวใจเราหรอกอัลฮัมดุลิลละเพราะกุรรานมีการรักษาไว้อลลอฮ์ทรงรักษาการรักษาทุก อ, องค์เนี่ยไม่ได้รักษาโดยการให้มีเล่มอย่างเดียวนะการรักษาก็คือการทําให้คนเนี่ยเป็นไงท่องจํากุรรานเมื่อท่องจําได้แน่นอนมันก็ไม่หายไปไหนนะครับอะต่อมานะอย่าได้ไปนั่งร่วมวงกับเขาเหยาได้ไปพูดคุย เขอโทษทีจะได้รงจนกว่าเขาจะพูดคุยเรื่องอื่นแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เขาเคยเย้ยก่อนมานนั้นเนี้ยแต่พอกดเราไปนั่งเนี่ยเขาไม่ได้เย้ยแล้วและเขาพูดเรื่องอื่นอันนี้ไม่เป็นไรบางบางคนเนี้ยมันจะเย้ยเฉพาะพวกมันอย่างเดียวอ่าแต่เวลาุสลิมเข้าไปเป็นไงโอ้ยชมกระจายเลย อ, <c oughs> อแต่ถ้าเรารู้พฤติกรรมแบบนี้ยังไม่ต้องไปยุ่งเอเล่อบอกว่าแท้จริงถ้าเราไปร่วมวงกับเขาไปกดแชร์ พฤติกรรมของการเย้ยหยันเนี่ยเราก็ไปแชร์เนี่ยเอาลอว่าอินนากุมอีดามิสลูฮุมเท่ากับเราเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาแล้วเท่ากับเรานี่แหละเป็นส่วนหนึ่งของคนที่เย้ยหยันบัญญัติขอล้อเล้วนะอินัลลอฮ์แหยมีอุนมูนาฟิกนวเลแกฟีรีนเอาลอจะรวมสองกลุ่มนี้ไว้ในนรกและสองกลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพันธมิตรนะแปลว่าอะไรจะไม่ออกอยู่ด้วยกันเกาะกลุ่มนี้แหละไม่ออกจากนรกตลอดการเลยก็คือมูนาฟิก และก็คนที่แกที่เป็นแกเฟร์เขาที่ปฏิเสธฟีจันนะมาจะมีอาจะอยู่ในนรกยาันแบบตลอดไ ป, ลดไปและก็อยู่กันทั้งหมดเลยไม่ขาดเลยนะอยู่กันครบเลยนะครับนี่ก็คือเรื่องของมูนาฟิกอ่านต่อนหนึ่งอายะนะเอาดูมาใช้ตอนนี้รอยยิ้ม บาซูนับิคุม فإن كان لكم فتح من الله อ ال ่า บ, บุมตายพบฟากีอันชัดเลย แกนั่นแหละคุ้มฟัดหุ่มเนีอีกรอบหนึ่งอัลลอฺِที่นาَต่อรับบَสูนับิคุ้มเฝอินแกนละุ้มฟัดหุ่มในออ قالوا ألم نقم معكم وإن كان للكافرين نصيب กَ ا ูอีรอบหนึ่งَ ك กอลูอัลลัมนะกุมะกุมอีรอบหนึ่งกอลูอัลลัมนะกุมกุอลฟนซบ ลราอัลลอฮฺนัสถวิด عليكم ونمنعكم من, من المؤمنين อัลฮ ah, ah ัมด ah na ุลิลลาฮ์อีกรอบหนึ่งนะกอลูอัลัมนัสตัฮวิดกอลูอัลัมนัสตัฮวิด عليكم ونعمكم من المؤمنين ف ا ل ل َّ ه ُ <ال> ي َ ح ْ ك ُ م ُ ب َ ي ْ ن َ ك ُ م ْ ي َ و ْ م َ القيامة วะเลยจะใ ل ل ل l l a ا ف ลักการีนَ่กับผู้มุ่งมั ي นนั้นสบิล ك ا วะเลย ل ะให้ Allah หลักการีน่ากับมุนนส่สรอบนงนะ วะไลย์จะเ ل าแล้วหล่อหَีล์คาฟีรีนั่งเลือดมูเอมีนั้นสบี ي าวะไลย์จะเอาแล้วหล่อหลีล์คาฟีรีนั่งเลือดมูเอมีนั้นสบีลาอะต่ออีกนิดนึงอินันมูนาเิกี อินนั้ลมุนาฟิกีนยูคอดยองอัลลอฮะวะฮุวะขัดยองหุมอินนั้ลมุนาฟิกีนยูขัดยองอัลลอฮะวะฮุวะดอุมวอีดะคมู ละ صلاة ا สะลา و إ ذ ا م و ا إلىصلاة ا م ุสลา وإذاقاموا إلى صلاة ที่ขามุคศาลายูรานนัส ولا يذقرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك Let. บ้างเป็นไงเห็นไหมเอาคนละลาสองลาเนะอ่าเอาดูดีๆที่ฉันให้ยุดลาลิกเนี่ยเพราะว่ารู้แล้วว่าต่อไปเนี่ยยาวทั้งหมดอ่าเอาดูนะลาแรกลาแรกนี่ก็ยาวและลาอีลาฮาฮานี่ก็ยาวอุลายาวอีก แล้วก็วาลาอีลาฮาอูลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวอ่าคราวนี้ก็จะหยุดทีละอันละ่ล ะ, ละอูลาอ่าห ย, ย, ยุดทีละตัวเนะ และอลฮะอูและแล้วก็วะและอีลาฮะอูละทีละคำขอมาฟัด้วยนะเพราะว่าไม่น่าจะน่าจะสิ้นลมก่อนไม่น่าจะรอดขนาดฉันเองยังเกียกแย่เลยนะไปก็ไม่ถึงฝั่งเอาทีละอันนะไอ้รอบนึงมูザบะซะบีนาบีนาลิก l a ilah. กีกีจะยาวหน่อยนะทำนิดละกีไหลลมกีไหลลมอยู่วะไม่รู้ลิลลัลฮูฟะลันตะจิดะลัฮูสบบีละ อ่าตรงวาา่าไมกี่นะหลวงสินด้วยวาายย่าไม่รูลิลลัลหุเฟลันตะจิดะลาหูสบิลาอ่ามาดูความหมายนะครับอันแรดีนะยะตอบบซูนะบีกุ้ม บรรดาผู้ที่คอยเฝ้าดูพวกเจ้าอยู่ก็คือพวกใครเนี่ยรู้ไหมพวกมุนาฟิกพวกมุนาฟิกจะคอยเฝ้าดูมุสลิมอยู่อหมก็แน่นอนนะเขาคิดไม่ดีแต่เขาซ่อนซ่อนความเป็นกุฟอดไว้ในใจก็จะคอยจับตามองดูเช่นถ้าอยู่ในวงสนทนาของมุสลิมเขาก็จะตีเนียนไปเลยเฮ้ดยดีอย่างนู้นดีอย่างนี้แต่เมื่อใดที่อยู่กับพวกเขาเอง เขาก็จะพูดจะว่าร้ายกับมุสลิมอันละีดนีจะเยาะเยรบปะชู้นี่ยกุ้มฟออินแก่นีละกุมฟัดทุมมีนัลงรอบรรดาผู้ที่คอยดูพวกเจ้าอยู่นั้นถ้าหากพวะเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์จนได้รับชัยชนะฟัดทุมมีนัลงรอเขาก็จะกล่าวว่ากอลูอาลัมนากุมมากุ้มเรามิได้ร่วมอยู่กับพวกเจ้าดอกหรือ อ่านี่คือลักษณะของมูนาฟิกที่ในสงครามบา ด, ดัดสงครามบา ด, ดัดนี่ไม่ชัดเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะอิสลามชนะพวกนี้ก็ตีเนียนไปอ่าเพราะว่าไม่ได้ออกมารบด้วยนะเพราะว่านาบีสงครามบา ด, ดัดนบีไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้บังคับทั้งหมดอ่าก็ร่วมยินดีไปอัลลอฮ์บอกต่อว่าอวยอินแกแนลินโมลินแกฟีรีเนนอซีบะ และหากมีส s <S ่วนได้ส uh oh ่วนได้ใดๆเก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานะและหากมีส่วนได้ใดๆเก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาก็จะกล่าวว่ากอลูอาลัมนัสตาวิธอาไลกุมวานัมนะกุมมีนัลมุมีนีนและจะหากมีส่วนได้ใดๆก่บรรดาคนที่ปฏิเสธก็คือชัดเจนเลยพวกนี้ก็คือพวกบุชริก พากเขาจะกล่าวว่าเราไม่ได้มีอำนาจเหนือพวกเขาดอกหรือนะและเราไม่ได้ป้องกันพวกเจ้าให้พ้นจากบรรดาผู้ศรัทธากันนั้นหรือก็จะไปเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่งแล้วกลับไปกลับมานะก็จะเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะอีกอย่างหนึง่งคือพูดง่ายๆว่าไม่มีไม่มีเสียเลยเอาได้หมด <c oughs> นะแล้วบอกต่อว่า อัลลอฮ์ฝัลลอฮูยักกุมูบายนากุมเยามันกียมะอัลลอฮ์จะทรงตัดสินระหว่างเจ้าในวันกียมะอ่าวันจะจางอัลลอฮุลิลกีฟิรีน่าเลลมุมมินีน่าบิลาและอัลลอฮ์จะไม่ทรงให้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธามีทางใดเหนือบรรดาผู้ที่ศรัทธาเป็นอั้นขาดแม้ว่าเจ้าจะหวังร้ายประสงค์ร้ายว่าจะให้ผู้ศรัทธานั้นจะได้รับ ผลไม่ดีต่างๆแต่ยังไงอัลลอฮ์ก็จะทรงช่วยเหลือนะครับบรรดาผู้ศรัทธาอยู่แล้วต่อมานะอัลลอฮ์บอกอินนั่นมุนาฟิกีนอยู่คอดีอองนัลลอหแท้จริงบรรดามุนาฟิกที่กลับกอกนั้นเขาจะหลอกลวงอัลลอฮ์อยู่กําลังหลอกลวงอัลลอฮ์อยู่ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงหลอกลวงพวกเขาด้วยว่าฮ ah, oh um ู้ว่าคอดีโองหุมตรงนี้เป็นสำนวนนะเป็นสำนวน โต้กลับไปแต่จริงเนี่ยอัลลอฮ์บอกความจริงอยู่แล้วอัลลอฮ์ไม่ได้บอกไม่ได้ไม่ได้มีเล่ห์เลี่ยมกับพวกมูนาฟีกีนแต่พวกมูนาฟิกีนใะหางที่มีเล่ห์เลี่ยมกับอะไรนะหลอกลวงอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์จะพูดความจริงบอกว่ายังไงพวกแกเนี่ยหลอกอัลลอฮ์ไม่ได้หรอกแต่มันเป็นสำนวนในทางสวนกลับไปอหนเป็นสำนวนในการสวนกลับไปพวกนี้เป็นการตอบโต้แต่อัลลอฮ์จะพูดความจริงนะ อาเลาบอกตอว่าว่อิรักกอมูอิรัสซาเลพวกมูนาฟิกีนั้นเมื่อพวกเขาลุกขึ้นไปละหมาดพวกเขาจะไปละหมาดในสภาพที่เกียจค้านโดยที่ให้ผู้คนเห็นเท่านั้นก็แน่นอนถ้าเป็นมูนาฟิกสมัยก่อนเนี่ยที่เขาเป็นกูฟอดเขาไม่ศรัทธาไงเขาก็จะละหมาดเฉพาะคนเห็นเออถ้ามีมุสลิมอยู่ก็ละหมาดแต่อยู่แต่วพวกเขาเขาจะละหมาดไม่หรอกเขาก็ไม่ละหมาด อแต่ละมาที่เกียรติเนี่ยพี่น้องอันนี้มันอาจจะเข้าขาเข้าขายพวกเราด้วยอเป็นลักษณะมุนาฟิกเหมือนกันแต่ไม่ใช่มุนาฟิกที่เราเป็นกูฟอดนะไม่ใช่แต่เป็นมุนาฟิกดินอามันหมายถึงการงานของเราเนี่ยอาจจะมีเกียรติค้านบ้างอ่ามีชัยตอนมาล่อลวงมาดึงให้มันช้าบ้างนะแต่ต้องอย่าให้มันเป็นแบบนี้บ่อยๆ ต้องรีบเร่งในการเข้าสู่การละหมาดกระตือรือร้นนะและภูมนแล้วก็บอกต่อแล้วพวกเขาจะไม่กล่าวลำลึกถึงอัลลอฮ์นอกจากเล็กน้อยเท่านั้นอายะต่อมาอัลลอฮ์บอกว่ามูซาบะบีนะใบนะแดริกนะที่เราอ่านกันเมื่อกี้นะโดยที่พวกเขาลังเลระหว่างนั้น ไม่ไปทางนี้ไม่ไปทางพวกนั้นไม่ไปทางพวกนั้นเนี่ยฮาอุลแฮาอุลเนี่ยนะไม่ไปทางนี้ก็ไม่ไปทางนั้นว่าไม่ยุติลิลแลและผู้ใดที่อัลลอฮให้หลงทางไปแล้วเจ้าก็จะไม่พบทางรอดใดๆสำหรับพวกเขาเป็นอันขาดคือพวกนี้มันก็ยังคําว่ากลับเกาะก็คือไปไปไปมาๆก็ยังเลงเลอยู่จะไปทางนี้ดีหรือจะไปทางนั้นดีแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเขามีทางเดียวอยู่แล้ว ก็คือทางแห่งสัจธรรมแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันเสร็จเลยแปรสอง2้อดิสแล้วจบเลยอ่าแปรสองขดิสมีข้ดิสบทนึงพูดถึงเรื่องละหมาดนะพูดถึงเรื่องละหมาด นาย บ, บีบอกว่าวันเลดีนับซีเบียดีฮขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์ว่าถ้าคนหนึ่งในหมู่พวกเขาเนี่ยอันนาฮูยายิดูอารกอนแซมีแนนความจริงถ้าเขาพบว่ามันจะมีเนื้อซี่โคงติดมันอยู่โอ้โหพี่น่ากินนะเนื้อซี่โคงติดมันเสือร้องไห้ละโอ้ยมาเชาญเลรอลุยเลยเนื้อซีอ่โคง หรือเนื้อสะโพกดีๆโอ้โหอันนี้มันอะไรแหละเนื้อสะโพกเนื้ออะไระเนี่ยเนื้ออย่างดีเลยเนื้อสะโพกเนี่ยอสองชิ้นแน่นอนเขาถึงมาละหมาดหมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้ามิสเตอร์สุราเนี่ยมีการบอกว่าวันเนี้ยหลังละหมาดจะมีการเลี้ยงเนื้อซิโครงเนี่ยมาแน่นอนแต่ถ้าไม่มีอะไรเลี้ยงนะละหมาดอยู่บ้าน อาล้อดิเราโดนแล้วเออต้องต้องเอารางวัลมาล่อดิจะไปสู่เรานี่มาไป ม, ม, มาอยู่แล้วเออมีไอเลี้ยงเป็นเลี้ยงเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็ น, เ ป, นเป็นผลพลอยได้อ้าวบอกต่ออา้านบีบอกว่า ว่าเราเลามาฟีบุยูติ้นนิสะแล้วถ้าเกิดบ้านพวกเขาเนี่นะถ้าบ้านพวกเขานี่ไม่มีผู้หญิงอยู่ในบ้านว่ว่ซุรียะหรือมีเด็กๆมีเด็กๆอยู่ในบ้านเนี่ยฮารอกัตตุอะไลาฮิมบุยูตะหุมบินนะพวกแน่นอนว่าฉันจะต้องเผาบ้านพวกเขาอย่างแน่นอนอันนี้พวกคนไม่มาละบาตทีิสูร่าโดนเผาบ้านแต่ที่าบีไม่เผาเพราะมีเด็กอยู่ในบ้านมีผู้หญิงอยู่ในบ้านก็เลยไม่เผา ตั้งใจคือไม่ได้ทำจริงนะเป็นการขู่คนที่ไม่ละหมาดทิมัสยิดเน่ยโดนมดและแปลแบบเนี้นะนั้นก็พยายามนิดหนึ่งรักษาอามันทิสุราวนิดหนึ่งอัองนหนึ่งละหมาดละหมาดอิชาะละหมาด อ, อัสรีพวกเราบางทีละหมาดซรีช้าต้องระวังนะนบีบอกว่าระวังละหมาดของมูนาฟิก เตือนผู้มุสลิมเราเนี่ยให้ระวังละหมาดมุนาฟิกเป็นยังไงอะละหมาดมุนาฟิกก็คือติ้นก็สลายตุ้มุนาฟิกยัจาริสูยะกโรบุชัมสู้ฮัตตาอิลาแกนต์ใบนากรนินชัยตอนเขาจะนั่งอยู่ยงั้นแหละนั่งทํานูน่นทํานี่ไปไเรื่อยหรือเพลินกับการทําอย่างอื่นจนกระทั่งดวงอาทิตย์เนี่ยมัน จะรับขอบฟ้าอยู่เล้วมันไปแตะขอบฟ้าแล้วถ้าเป็นระหว่างภูเขาก็คือมันจะรับไอช่วงขอบขอบฟ้าแล้วใกล้จะหมด เ, เวลาอัสรีกอมานากรอเขาจะรีบเร่งไปสู่การละหมาดทันทีเพรา อ, อะไรแล้วพาะ อ, อะไรที่ต้ที่ททรีบเร่งมันจะหมดเวลาเดี <c oughs> ย๋ยวไม่ทันเออนี่ต้องระวังนะเย็นๆเนี่ยมุสลิมเราชอบเดินตลาดเห่นไ้มตลาดนัดเนาะ เดินซื้อของก่อนทํานู่นทํานี่พอซื้อของตลาดนะัดเสร็จปับ๊บนบีบอกอาหารมาแล้วกินก่อนเว้ยนั่งกินอีกพอนั่งกินเสร็จนั่งเรออีกนั่งเรอสักพักหนึ่งไปไงอ้าวจะหกโมงแล้วหกโมงกว่าแล้วจะหมดเวลาแล้วไปละหมาดละหมาดอัสรีแทบจะหมดเวลาก็มานะก็รออาซอร์ยเขาจะรีบขึ้นไปละหมาดเลยและละหมาดแบบลวกๆแทบจะไม่ได้อ่านอะไรเลยละหมาดให้มันพน้พนๆไปอ่านาบีบอกเนี้ยละหมาดมูนาฟิก นายนั้นเราจะไปตลาดนัดจะไปทําอะไรตอนเย็นเย็นจะเข้าสวนอทำํำไงก่อนละหมาดที่เรียบร้อยก่อนนาะอย่าไปทอยก็แล้เดี๋ยวมันเปืเป้อนเหงือ่อเดี๋ยวฉันขออับนงอับน้ําทํานู่นทํานี่สุดท้ายแล้วละหมาดอาร์แทบจะเข้าเวลามะกริบแบีบอกเนี่ยมันจะเป็นละหมาดมันจะชนเวลาอยู่แล้วแทบจะเป็นละหมาดมูนาฟิกอ่านไปเข้าตอนติเป็นละหมาตลักษณะของมูนาฟิก นะครับบางคนเนี่ยยอมที่จะกลับบ้านช้านิดนึงคือเลิกงานเนี่ยวยัยเดินงานประมาณสมมุติเลิกงานสามโมงเขาทําไงรู้ไหมเขารอละหมาดอารัรรีที่ทํางานก่อนเขามีตละลกงมีผู้ชายมีหมวกรอละหมาที่ทํางานก่อนเพื่อที่จะไม่ไปช้าตอนรถติดตอนย็นเขาขอละหมาดก่อนแล้วก็ค่อยเดินทางอีกทีคราวนี้มันจะไปถึงบ้านกี่โมงหกโมงก็สบายเร็เพราะว่าละหมาดแล้วแต่บางคน ไม่รอคือชั่วโมงแม้ยอมนั่งรถไปปรากฏ ก, กว่าจะถึงบ้านหกโมงกว่าเกือบจะหมดเวลานี่ต้องระวังนะต้องต้องต้องระวังเวลาอาร์เีให้ดีนะครับเพราะเป็นเวลาที่รถติดเวลาที่หลายหลายคนเข้าตลาดกันนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเตรียมตัวกินก๋วยเตี๋ยวนะสุบฮานะานะก็รอฮุมมาวิฮัมดิกาชุดวลเลออิลาฮิลาต้าสตักวิลคาวะตูบิไลอัสสลามอัลฮิลิโกมุราหมัตุลลอฮ์โมบารอกกาตู